ขณะนี้ไม่เป็นธรรมชาติดูออกไหมเกิ <คะ S 1> นธรรมดานิดนึง <คะ S 1> ่งใจมันนิ่งๆนิ่งกว่าธรรมดาหน่อยหนึ่ง <คะ S 1> มันมีตัวนิ่งอยู่ <คะ S 1> มองออกไหมล่ะออกออนั่นแหะของปลอมล่ะนึกว่าเป็นแต่ตรงนี้น <ะ S 2> เป็นหมายถึงว่าขณะอยู่หลวงตอนหน้าหลวงพ่อจะมีอาการอย่างเนี้ประจำหมายถึงว่าออกไปข้างนอกไม่เป็นใช่ไหมดีกว่านี้หมาถึงไม่ได้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 แล้วเสรปุ๊บจิตมันก็ปรุงแต่งเรื่อยๆแล้วพอเรารู้ทันมันก็ว่าอีกรอบหนึ่ง ม, มันก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆอะค่ะอรู้แล้วว่าบเลยหรือว่ารู้รู้ร้าว่าอะไร <c oughs> บอก ท, <c oughs> ทีแรกรู้ว่าเขาจะไม่อยู่ใจหายว่าใช่ไหมเอาไม่ค่ะพอพอเรารู้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะแล้วพอตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยจิตมันก็หยิบฉวยขึ้นมามทันทีเลยพอตื่นนอนเราก็เห็นมันเลยอะคะอ่ะแล้วมันก็ปรุงแต่งของมันไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้ทันไปเรื่อยๆอๆๆะค่ะ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 ต้องฝึกของเราก่อนแล้วก็เวลาไปเจอผัสษะแรงๆเนี่ยเหมือนไปเข้าห้องสอบสอบได้หรือสอบตกก็รู้เองเนา <c oughs> นะคุณนาแต่ถึงสอบตกนะก็ไม่ต้องท้อแท้ก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกสอบได้ก็อย่าหลงระเริงนะบทเรียนอื่นอาจจะโหดกว่านี้อีกเนี่ยต้องซ้อมได้ไดอยาบระมาด <c oughs>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 เวลาขาดสติแล้วเราเกิดขึ้นเวลารู้สึกตัวขึ้นมาแบบไม่ได้จงใจนะเราหายไปมี่พอรู้สึกมรักเข้ามากเข้าไม่มีเราซ้ําแล้วซ้ําอีกนะปัญญามันแจ้งตัวเราไม่มีค่ะ okay. บางครั้งเนี่ยเห็นอารมณ์ที่หงุดหงิดพอเห็นปับ๊บแล้วอยากให้มันหายอันนั้นก็หายไปเลยแต่บางทีอารมณ์ที่รุนแรง mm. เห็นก็ไม่หายไ่หายนะ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 แล้วไม่ทราบว่าโยมปฏิบัติเป็นยังไงดีละใช่ได้ต้องต้องปรับปรุงตรงไหนมากใช่ไเดี๋ยโยงใจเยอะเกินไปนะใช่ค่ะให้สบายถ้าภาวนาแล้วรู้สึกเครียดเครียดนะก็พักผ่อนบ้างค่ะมิธีพักผ่อนก็คือหัดพุทโธหัดอะไรอย่างนี้ไปคิดถึงครูบาอาจารย์ฟังซีดีหลวงพ่อพักผ่อนฟังบ่อยมากเลยใช่ค่ะฟังแล้วมีความสุขนะีดีหลวงพ่อกาสติเกิด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 มีที่สุรินนะมีโยมคนนึงลูกศิษย์หลวงปู่ดูลชื่อตะเ๋ยเป็นคารวะอย่างพวกเรานี่แหละภาวนาได้ธรรมะขั้นต้นได้ธรรมะเบื้องต้นแล้วอยู่ครองคองเรือนนะมีลูกมีเมียเล้ยงแก่ไปงั้นปกติของชาวบ้านเลยแต่ว่าหัดดูจิตชำนิชำนานไม่เคยละทิ้งดูเรื่อยๆแต่มันข้ามขึ้นชั้นที่สูงขึ้นไปไม่ได้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 คารวะมันยึดถือเหนียวแน่นตอนจะตายแล้วถึงรู้ว่าเอาไว้ไม่ได้แล้วถึงยอมทิ้งงั้นพอทิ้งปุ๊บเลยตายไปเลยมันจริงจะตายอยู่แล้วล่ะอย่างพระเจ้าสุโธธนาก็เจ็บหนักสีหามาดเนี่ยใกล้จะตายแล้วหมดอายุแล้วจะตายกินเหล้าเมาแอะมาตั้งเจ็ดวันเสร็จแล้วอีหนูแกตายแกเสียใจจะไปหาพระพุทธเจ้านะ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 ไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกหลวงพ่อเดาๆนะไม่มีคำภีรองรับนะอันเนี้ยแต่เผยแต่เผยเผาออกมาก็เป็นทา่าทาดนะเพวกเราน่าซ้ำๆเยอะเรียนแล้วเรียนอีกอย่างพวกเรามาเรียนไม่เคยขออะไรกับพวกเรา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 เอาวิชาปัจญาสังขาราอะไรเนี่ยทำเพลงปฏิจจสม บ, บัติเดี๋ยวไม่มีเวลาฟังมีเวลานาทีเดียวหลวงพ่อก็พูดเรื่อยๆปฏิจจสม บ, บัติปิจสมบัติลึกนะเป็นธรรมที่ลึกที่สุดเลยถ้าผู้ใดเห็นปฏิจจสมบัติจะข้ามภพข้ามชาติแล้เห็นแจ้งปฏิจจสมบัติต้องเป็นพระอระหันต์ถ้าเห็นปฏิจจสมบัติเบื้องต้นเจะได้โสดา